รอยต่อระหว่างจิตไม่ว่างกับจิตว่างเป็นอย่างไรตอนบริกรรมจะหายไปสําหรับผู้เริ่มฝึกหัดนี่มันจะเกิดมีอาการเคลิบเคลิม้มใจลอยๆเหมือนกับจะง่วงนอนเหมือนกับจะหลับถ้าหากว่าจิตสงบมันก็จะวูบลงเหมือนกับกระโดดจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำเน็ตตรงนี้หัวเลี้ยวหัวต่อพอมันวูบลงไป พอหยุดวูบนิ่งปับ๊บทางแยกมีสองทางทางหนึ่งนอนหลับอีกทางหนึ่งไปเป็นสมาธิก็รู้สึกตัวขึ้นอีกภาวะหนึ่งบางทีรู้สึกตัวแล้วก็สว่างโพล่งขึ้นบางทีก็เพียงแต่รู้สึกตัวจำๆกระยิมกระยิมอยู่บางท่านบริกรรมภาวนาไปจิตก็ค่อยๆสงบสงบสงบแล้วมันก็หยุดบริกรรมภาวนาเองบางทีไปรู้ว่าจิตหยุดบริกรรมภาวนา เกิดเอดใจสมาธิถอนอาการวูบวาบอะไรต่างๆนี้มันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้เริ่มฝึกภาวนาต่างหากแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติไปจนคล่องชำนิชำนาญจิตมีพลังมีสติสัมปชัญญะมันจะค่อยๆสงบสงบสงบสงบไปพร้อมกับความคิดที่ปรุงแต่งบางทีพอมันหยุดคิดมันนิ่งปับ๊บพอมันนิ่งแล้วบางทีมันก็นิ่งนิ่งนิ่งไป จนกระทั่งไปถึงระยะที่ร่างกายตัวตนหายบางทีพอนิ่งว่างสักพักหนึ่งมันจะเกิดความรู้ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นที่เรากำหนดรู้อารมณ์จิตคือความคิดที่เราตั้งใจกำหนดรู้มันเป็นสมาธิที่มีวิตกวิจารโดยความตั้งใจหรือบริกรรมภาวนาอยู่มันก็เป็นวิตกวิจารโดยความตั้งใจทีนี้พอจิตมันวูบ จะไปนิ่งพับถ้ามันจะเป็นสมาธิทางฌานสมาบัติมันก็ได้แต่นิ่งนิ่งนิ่งไปเฉยเยถ้ามันจะไปในทางอาริยามรรคอริยผลพอจิตสงบมันตัดกระแสะแห่งอารมณ์เดิมขาดไปมันจะว่างอยู่พักหนึ่งแล้วก็เกิดวิตกขึ้นมาวิตกคือความคิดที่มันผุดขึ้นมาวิจาร์คือสติที่รู้พร้อมอยู่ในขณะจิตนั้นแล้วความคิดมันจะคิดเรื่อยเปื่อยไป สติก็จะไลต่ตามรู้ตามรู้ตามรู้ไปพอห น, หนักเข้ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเกิดปิติเกิดความสุขความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอไปถึงจุดจุดหนึ่งมันจะนิ่งพับลงไปสว่างสวยัยและมันจะมีปรากฏการให้จิตรู้เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่เรื่อยบางทีก็เป็นเงาเงา เหมือนคี้เมฆไหลผ่านไปผ่านมาแล้วจิตก็ตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวยัยมันไปถึงจุดถีติงภูตังของหลวงปู่มั่น